อันสาตุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่กำลังส บ, บายแต่ถ้าว่าสำหรับพระโยคาวาจรทั้งหลายหรือว่าสาวกข้อองสมเด็จไจรจไตรบรมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตาม เวลาเชาวนี้ท่านจะมีความสุขกันเริ่มน่ายกันลุกขึ้นมาหรือว่าตื่ขึ้นมา <c oughs> เพื่อพิจารณากันห้าเป็นการตัดความเกิดหรือว่าตัดความทุกข์เป็นการตรวจเรื่องความชั่วที่ติดตัวพวกเรามาคำว่าตัวก็คือจิตตัวไม่ใช่ร่างกาย ว่าเราทราบ ก, กันอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามศัพท์ที่นัเรียกกันว่าขันห้าอาตมาได้ว่าร่างกายมันฟังง่ายดีร่างกายก็คือขันห้าขันห้าก็คือร่างกาย สำหรับพระอระหันต์ที่ท่านได้แล้วเป็นอรหันต์แล้วท่านก็มีความสุขโดยอำนาจของสมาบัติคือการอยู่สุขวิยหันด้วยอนาจพระสมาบัติแม้แต่พระอริยะเบื้องต้นตั้งแต่วระโสดาบันขึ้นไปในยามชาม้ามืดท่นก็อยู่ด้วยอำนาจพระสมาบัติเพื่อความสบาย แล้วก็ต้องใจตั้งใจปลดเรื่องความชั่วที่ยัติดตัวอยู่คือกิเลสบังปฏิบัติตนทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุดเฉสประหานสำหรับพระดีทรงฌานก็ทรงฌานสมาบัติให้เข้มข้นแล้วก็ทาบรรยายของตนให้รู้เท่าทรมสภาวะการสำหรับท่านพุทธสาวกีิยประปินปุทุชน ต่ำกว่าพระต่ำกว่าพระที่ทรงฌานและท่านที่ทรงฌานก็พยายามเจริญฌานสมาบัติ <c oughs> หรือก็มีปัจจนาญาณให้จิตเข้าถึงระบบของความดีนี่ตามระเบียบแต่พระพุทธศาสนาเวลาชาวทนนี้ไม่มีใครเขาว่างสำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าก็ชงชงใช้อำนาจพระพุทธญาณ ตรวจ ด, ดูอุปนิสัยของสัตว์ในเราจะเห็นกันได้ว่าเวลาเช้ามืดสาวกพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแม้แต่พระองค์เองก็ไม่มีใครเขาว่างกันใ <c oughs> นเวลาเช้ามืดนั้นเป็นเวลาที่เรามีการพักผ่อนร่างกายสบายจิตใจก็เป็นสุข ถ้าจะใช้กําลังกายกําลังใจในได้เขาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, วนาแล้วก็ใช้ได้แบบสบายดังนั้นขอประโยคาวาจารทางหลายจงจำเอาแนวประพฤติธปฏิบัติอันนี้ไปประพฤติธปฏิบัติจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีตามที่องค์สมเด็จพระทรงสบัดดีโสภาคท่านแนะนำสั่งสอนไว้ ถ้าหากว่าท่านห่างหลายนอนตื่นสายหรือเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่ใจให้ถูกต้องก็แสดงว่าท่านไม่ต้องการความสุขท่านยิ่งปราถนาความทุกข์คือความเกิดต่อไปวันนี้เรามาพูดกันถึงบา ร, รมีที่สามคือเนค ข, ขมมะบา ร, รมีเนค ข, ขมมะบา ร, รมี เา แ, แปลก็ว่าการถือบวท <c oughs> สาหรับคนอื่นเขาจะแปลกันว่าอย่างไงนั้นไม่สำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสาหรับในคขมบรามีนี่มีกาลังหลายชั้นวันนี้เรามาพูดกันเรื่งในคขมบ ร, รมีเนคขมะบ ร, รมีเบื้องต้นบรรดาท่านสาธุชนและพระโยคาวาจรทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงให้ถือการบวชใจนี่เราบวชกันนะเไม่ดบวชกายเราบวชใจการบวชเฉพาะกายถือถือเพศสมณะเฉพาะกายแต่ใจไม่บวช ด, ด้วยก็เป็นอันไม่ช่วยให้เราลงนรกหนักขึ้นเป็นการหลอกลวงชาว บ, บ้านหลอกลวงตัวเองคิดว่าตัวดีแล้ว ไม่สมกับคามุ่งหมายขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วที่มีความปรารถนาจะให้เราเป็นสุขคือตัดความเกิด น, นี่เรามานั่งดูบา ร, รมีเราการที่พูดกันมาถึงด้านประโสดาบันท่านทำได้หรือไม่ได้ถ้ายังเป็นประโสดาบันไม่ได้ก็มานั่งคลัมบา ร, รมีเอทางที่ถูกแล้วถ้าเรามีบา ร, รมีสิบเราไม่ต้องปฏิบัติอย่างองื่น เรามากลัมกันแต่เฉพาะบารมีเท่านั้นมันก็พอแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงรับรองไว้แล้วว่าถ้าใครมีบรารมีครอบทวนทั้งสิบประการเป็นปรมัตตบรารมีอันนี้นั้นก็เป็นพระอระหันต์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะไม่ศึกษาอะไรกัน อ, อื่นเลยศึกษาแต่บรารมีก็พอ เนี่ยแตมาได้พูดไว้แต่ตอนต้นว่าเราบวชใจกันเน ร, ราเบื่อไรเราไม่ได้เบื่อใจแล้วเด็กตนขยันต น, นตอนอะไรไปหรือทำอะไรก็ได้แก่ปิดอีเรามานั่งบวชจิตจิตที่บวชตอนต้นที่เรียกกันว่าเลยจากความเป็นคนขึ้นมานิดหนึ่งมาเป็นมนุษย์นี่เราเกิดจะมาที่แรกเราเป็นคนมันยังไม่เป็นมนุษย์ ว่าคนนี่มันแปลวายุง่งอารมณ์ของเรามันยุ่งจัดมันทีร่างกายยังไม่ทันไปใจมันไปแล้วใจก็คือเราตอนนี้เราจะทำยังไงในการตดบวชตนระยะแรกบวชนระยะแรกนีเอาเกีงแค่กั น, นยาณชนยังยังไม่ถึงอริยชน ก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนําให้ระงับนิวรณ์ห้าประการให้จำไว้ดีนบรรดาพระโยคาวาจรทางหลายทีท่านหลายมีความประสงค์ต้องการโดยเฉพาะว่าเราต้องการเป็นพระอเรียเจ้าเราเบื่อกายเกิดเพราะเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเราจะไม่เกิดเราก็ต้องมีบารมีครบถ่วน แต่ว่าไม่ได้ท่องบา ร, รมีไว้ครบจําได้แบบนกแกว้วนกคุณทองแบบนั้นไม่ใช่ถ้าจําแบบนั้นท่านก็เป็นนกแกว้วนกคุณทองตลอดไปจะเป็นพระอริยเจ้าเข้ า, ขาปณิพันธ์ไม่ได้ <c oughs> นี่ตอนนี้ไปเรามานั่งบวชกันดีกว่าท่านนั้หลายที่เคยบวชเข้ามาเป็นที่สุเป็นเสมนในนะ่ะบวชครบทนแล้วที่อย่างฟังต่อไป <c oughs> อะยะการบวชในตอนต้นนี้เราจะไม่บวชเอาดีเกินไปเอาดีแค่จากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์เท่านั้นตอนนี้องค์สมเด็จพระวิษุมานทรงแนะ น, นำว่าท่านทั้งหลายจงทำกำลังใจให้มีความเบื่อนหน่ายเห็นโทษในการมาคุณห้าคือความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะ เปินหอมรสอร่อยการสัมผัสนริกามารมุมอารมณ์ที่หมกมุ่นนรการมาคุณไอการมาคุณนี่ก็แปลว่าการหมั่วสมม่ในโลกีวิสัยระงรับใจใช้ใได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับข้อที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสอนให้ระงรับยังไม่ตัดนะ ทำระ ง, งับนี่ร <c oughs> ะงับประดกดคอเข้าไว้ระงับความโกรธระงับความพยาบามข้ อ, อดีสามองค์สมเด็จพระบอรมมรุกขนาถแนะนําบอกว่าเวลาที่เราตั้งใจระงับอารมณ์จิตที่พอใจในการมาคุณแล้วระงับความโกรธความพยาบามความม่วงโม่งมันจะเข้ามาครอบงาํา ในเมื่อความว่วมันครอบงำแล้วเราก็ต้องหาทางระงับความง่่งเสียด้วยการลืมตาให้กว้างบ้างเอามือขยี้ตาบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างงั้นดูดาวบ้างลุกขึ้นเดินเสียบ้างในมันจะได้คลายความวง่วงตอนนี้สำหรับข้อดีสี่ตอนนี้อารมใจของเราฟุ้งซ่าน ก็ต้องงัรไปการพุ่สร้างของอารมณ์เสียให้ทรงอยู่ในอารมณ์ที่เราต้องการโดยเฉพราะว่ามันเป็นคุณตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเราต้องไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคําว่าไม่สงสัยนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณา ไม่ใช่ว่าฟังแล้วเราจะเชื่อแค้ทีเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ <c oughs> <c oughs> นี่กล่าวโดยหัวข้อนี่เวลาที่เราจะเข้าไประ ง, งับนิวรณ์ห้าบริการ <c oughs> เพื่อเป็นการถือบวทขั้นตน้นจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์ยังไม่เป็นพระนี่ท่านนักบวชในพระพุทธศาสนาระ ง, งับกันได้หรือยังถ้ายังแล้วก็โปรดทราบ ว่าเยาว่าแต่ท่านเป็นพระเลยเป็นมนุษย์ยังยังเป็นไม่ได้เลยนี่ฟังกันต่อไปการระงับนิวรคืออารมณ์ของกามาคุณทั้งห้าประการได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเราพอใจของสวยเราพอใจของหอมเราพอใจรสอร่อยเราพอใจสัมผัสที่เราต้องการระหว่างเพศ จิตใจมั่วสมกัดกลุ่มภาวพะพวาวนอยู่ในโ ก, โกรกีวิสัย <c oughs> อยากอยากจะทุกข์เขาอยู่ในอำนาจพงการมาคุณตอนนี้มันจะดีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามปกติชาวบ้านก็เห็นดีกันแต่ว่าชาววัดเห็นว่าไม่ดี วัดตัว น, นี้คนจะเรียกว่าวัตระคือปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดเพื่อความเป็นประโภดาชกิธาคานาคารหันเราก็มาระงับกันเ้นเดนยอานาจของอสุ ป, ปรกรรมฐานสิบอย่างแล้วก็กายกตานสุสติหนึ่งอย่างรวมเป็นสิบเอ็ดอย่างด้วยกัน อาสุดวกรมานให้กับพิจนาให้ความไม่สวยสดกดงามของคนและสัตว์ทั้งหมดและวัตถุต่างๆที่เราเห็นว่าสวยนี่เราพูดกันเฉพาะบารมีนี่จะเอาเรื่องนี้มาพูดให้จบแต่มันไม่ได้แบบฉบับมีแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานหรือวิสุทธิมรกก็ได้โปรดไปหากันเอาเองก็แล้วกัน เจ้าตะมาแนะนำในที่นี้ทั้งหมดนั้นมันเกินมิสัยแล้วเกินเวลาที่เราจะพูดกันถ้าระยะพูดในจบก็ต้องมันนั่งพูดพระกรรมฐานแล้วสี่สิบอย่างหรือรู้ว่ามหาสติประฐานให้จบมันก็ไม่ใช่เวลาไม่ใช่การไม่ใช่สมัย <c oughs> แนะนำกันเข้าไว้ถ้าเราใช้อสุบสิบอย่างกับอนอุกับกายกตานุสติอีกหนึ่งอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจใจเราของเราระ ง, งับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแต่สัมผัส <c oughs> <c oughs> และอารมที่หมกหมุ่นในการมัคุณระ ง, งับลงไปได้ชโชคขนาดเรื่อระงับเป็นบางขนาดไม่ใช่ว่าทุกขนาดเวลาที่เราตั้งใจระ ง, งับมันระงับเวลาที่เราจะเดินเหินไปไหนความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางคราวความต้องการมันก็มีอยู่ อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมรครูเรียกกันว่าชาโลกีจัดว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นกันญาณชนแนะนำกันเพียงเท่านี้นะแล้วสำหรับข้อดีสองมีองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสันดาสัมมาสัพพเดจาวง <c oughs> แนะนำว่าจงรครับความโกรธความเพียาบาัตคือการจองล้างจองผลาญ เขาพูดมาเขาทำมาเราไม่ชอบใจแล้วก็จองจะแก้มือแก้แค้น <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่เป็นการสมควรเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของความชั่วทำตัวให้มีทุกข์คำว่าตัวคือเราไม่ใช่ร่างกายถ้าเราตายจากชาตินี้แล้วก็จะสเสวยทุกขเวทนาเมื่อทรงอยู่ก็ประกอบว่าทุกข์คือความเร่าร้อน เพราะว่าความโกรธเป็นอาการของการเผาผลาญร่างกายและจิตใจให้ทุดโทมคนที่โกรธง่ายแก่เร็วบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> บางทีเราจะเห็นพระอรียาเจ้าอายุตั้งหกสิบปีเสร็จเราก็ไปนั่งนึกว่าท่านอายุประมาณนึกสี่ห้าสิบปี แต่ก็ยังหลีบางองค์อายุเกือบเจ็แปดสิบปีเราคิดว่าท่านอายุสามสิบปีเท่านั้นนั่นเราก็จะพิจารณาได้ว่าพระคุณท่านเป็นเป็ น, ปนพระอริยเจ้าเบื้องสูงตั้งแต่เมื่อไหร่ร่างกายของพระคุณนั่นใสไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลง น, น, นะเพราใจมันสบายแื่ร่างกายเขาเราจะแก่มากแก่น้อยสุดสทรมมากสุดสทร น, น้อยมันขึ้นอยู่ที่ใจเหมือนกัน ถ้าอารมณ์ใจของเราสบายแล้วร่างกายคือความเผาผลาญทางใจมันน้อยร่างกายมันก็ทุดโทมน้อย <c oughs> ถ้าเรามีอาการคาดร่างกายของบุคคลผิดก็เพราะว่อารา์คาดจิตใจของเขาผิดเราไปมองดูมองดูร่างกายของคนที่เต็มไปด้วยความเ่าร้อนไฟอยู่ที่ไหนก็ทำลายที่นั่น เขาพลานี่นั่งความโกรธพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นโทสักคิไฟคือโทสักทีความโกรธถ้าไม่เกิดขึ้นเราจะงับเราจะจะระงับโดยวิธีไหนอันนี้องค์สมเด็จพรจอมไตรบรมศาสสันดาสรงแนะนำบอกว่าให้ใช้พรหมวิหารสี่ประจำาใจเป็นปกติ หรือว่าถ้าพรมิหารสียังไม่เป็นที่พอใจไม่ถูกกับอารมณ์พระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงให้แนะนําให้ใช้กรรมฐานสี่อย่างคือวันละกะสินได้แก่กสินที่มีสีคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามอธัธยาศัยถ้าเรปฏิบัติโดยใช้ตามนี้บรรดาท่างพุทธบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นโทษที่ถกถูกใจอารมณ์ใจของเราจะมีความสุขแล้วก็จะสามารถจะระ ง, งับความโกรธไป้ได้ยังไม่ตัดบอกแล้วว่ายังไม่ตัดเอาแค่แระ ง, งับโชวขณะหนึ่งเท่านั้นในเมื่อความโกรธไปเกิดขึ้นแล้วก็ควา้าพรหมหันต์สี่มาใช้ทันทีเป็นเครื่องประหาร ว่กากระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราชอบใจเอามาใช้โดยเฉพาะความโกรธมันจะระ ง, งับมันจะตกลงไปแต่มันไม่ไปไหนหระบรรดาท่นพุทธบริษัทมันยังนอนอยู่ในใจและนอนอยู่ในเรา <c oughs> บางครั้งบางคราวมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกถ้าเราทํำบ่อยๆกําลังมันก็จะเปลี่ยไป นนิวรณ์ตัวที่สองนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ทรงระ ง, งับด้วยตัวนี้กรรมาฐานแบบนี้สําหรับข้อที่เดี่ยว่าความง่วงได้พูดมาแล้วแต่ตอนตอน้นตอนนี้ไม่พูดมันจะซ้ํากันต่อไปข้อที่สีถ้ารมใจฟุ้งซ่านองค์งสมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เจริญนาปาปานุตสติกรรมาฐานเป็นการระ ง, งับ ความพุ่งไส้ของจิตการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานทาำยังไงในวิสุตติมากก็ดีในคู่มือปฏิบัติกรกรมฐานก็ดีในมหาปฏิปทานนั้นสุก็ดีมีอยู่แล้วครบทุนบริบูรณ์ดูตามนั้นก็แล้วกันตํำรับตารามีแล้วจะมานั่งสอนกันสร้างต้าตำรามันก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็ไรเพราะว่าคนถ้าไม่ตั้งใจจริงที่อย่างสอนเท่าไรก็ไม่เอาทานอุ <c oughs> ตรัยคนพูดคนเหนื่อยเปล่าดูในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่างพระเทวทัตเป็นทั้งญาติเป็นทั้งพี่แต่ว่าพระเทวทัตที่เอาดีไม่ได้ก็เพราะเป็นคนไม่สนใจเรื่องความดี มีจิตใจกำเริบเสบสารเพราะได้ชายสมาบัติคนนึกว่าโตวิเศษไม่ยอมเชื่อคำแนะนำคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระบร ม, มาราชกุศลนี้ถ้าเราไม่เอาดีที่อย่างเดียวพูดเท่าไรมันก็ไม่ดีถ้าเอาดีแล้วดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระบรทิพย์แก้วทรงแนะนำแอบ่บรดาแทนพุทธบริษัทคือเปรศการีที่ดา พระองค์สมเด็จพระบรมศา ส, สด า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำคือตัดเป็นคำถามสั้นๆว่าเธอมาจากไหนและเธอจะไปไหนเธอไม่รู้หรือว่าเธอรู้หรือเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัท นางมีความเข้าใจพระองค์สมดเด็จพระจอมไตร ย, ยกมือสาธุในคําตอบของเธอเออมื่อพระองค์ถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะในข้อนี้เธออธิบายว่าการที่เธอมาจากบ้านจะไปหาพ่อนั้นพระองค์พระพุทธองค์ทราบอถามว่ามาจากไหนห mm. ม, มาย mm. ความว่าเธอก่อนที่จะเกิดนี่เธอมาจากไหน นางไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสารทุกข์ <c oughs> แล้วข้อต่อไปพระองค์ทรงตัดถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพเจารณาข้อนี้เธอที่บายว่าเพราะว่าเมื่อตายไปแล้ ว, วเธอจะไปไหนนี่เธอไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็สาธุถามว่าพระพุทธเจ้าทรงถามว่าเธ อ, เอมไม่รู้หรือไม่ไม่ทราบหรือ เธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะเอเตอร์ดีบายว่าเธอเกิดมาแล้วเธอต้องตายนะเธอทราบแล้วพระพุทธเจ้าถามตอบไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะมีเธอตอบว่าอาการตายของเธอในยตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเย่นตายกลางคืนตายมืดตายสว่างตายด้วยอาการอย่างไรเธอไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสาธุ เมื่อพระพุทธเจ้าสาธุเพียงแค่สี่วาระเธอก็ได้สำเร็จประสูาปฏิผล น, นี่ถ้าเราพูดกันได้ว่าคนดีที่อย่างเดียวแนะนำเพียงนิดเดียวเขาก็มีผลอันนี้ก็ไม่กานที่จะมาพูดนีพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลมีมากแล้วแนวสื้อที่เป็นคู่มือก็มีมากถ้าเราจะมานั่งอธิบายกันตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไร ถ้าเพียงคนดีถ้าดีที่อย่างเดียวคำแนะนำคำเดียว ก, ก็มีประโยชน์ถ้าหาว่าแนะนำอย่างนี้แล้วผู้มือสำหรับดูก็มีคำอธิบายมีพร้อมเรายังเอาดีไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับการที่จะอธิบายให้กันฟังต่อไปนี่ก็เอาเป็นแค่แนะนำเท่านั้นบรรดาท่านผู้ดำเนิริษัทแในการตอบข้อต่อไป ข้อที่ห้าไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระรัตนตรยัยว <c oughs> ันนี้เราก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าอะไรหนอที่พระพุทธเจ้ากล่าวมาเป็นความจริงหรือไม่จริงที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีป่วยมีตาย องสมเะตรประจอมตรายบรมศาสนาตรัสอย่างนี้เป็นความจริงไหมไม่ต้องไปเอาอะไรมากเอาเท่านี้และบรรดาท่านผู้ตบริษัทเชื่อได้แล้วหรือยังอีกอย่างหนึ่งที่เรีวิาชาทีวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ใช้ปัญญาพิจารณาตามเจรารวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ประนามวิทุกขังความตายเป็นทุกข์โศกปฏิเทวาทุกข์เป็นต้น ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์การพัดพลาดจากของนะของชอบใจเป็นทุกข์มันจริงและไม่จริงใช้ปัญญาพิจารณาเอานี่เป็นลำดับต้นที่เราจะเราจะระ ง, งับดีวอนห้าประการนี่แค่เป็นคนเท่านั้นถ้าหากว่าเราะระ ง, งับดีวอนห้าประการนี่ระ ง, งบับสงบไปแล้วก็ชื่อว่าเราเริ่มบทเบื้องต้น บวชแต่ว่ายังไม่ดีนะักแค่ระงับความชั่วบวชชั่วขณะไม่ใช่บวชตลอดเนคธรรมบารมียังไม่ใช่ขั้นดีขั้นดีก็ทํากันยังไงก็ตัดนิวรณ์ห้าราการนี้ให้มันบรรเลยไปทั้งหมดให้มันละเอียดไปเลยเมื่อจิตมันสงบระงับดีแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้วิปัสสนาอย่างคืออริยสัตว์ จะใช้แบบอริยะใส่กันได้แบบพิจารณาขันห้าก่อนได้แบบฉบับมีอยู่แล้วตามในยะที่องสมเด็จพระบดีแก้วทรงสอนพระหัตถะหนันนิบวนให้มันพินาศไปให้มันพังไปเสียหมดความรักในรูปเสียงกลิ่นรสใามันพิ น, พนาศไปเลยหมดไปจากใจ ความโกรดความเบียบบาทหมดไปจากใจอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีในใจคาสงสัยแลีการสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาไม่มีเราเชืดด่อเดิมหน่ายของปัญญานี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโดยทนหนาคำว่าบรารมีในที่นี้เราพร้อมแล้วหรือยังกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพร้อมแล้วหรือยัง พร้อมที่จะระงับนิวรณ์ห้าแล้วก็ตัดนิวรณ์ห้าถ้าใจมันยังค้างตอนใดตอนหนึ่งอยู่อีนิดเดียวเพียงเท่านี้จะลืมว่าท่านยังไม่ดีมีบา ร, รมีไม่ครบนี่การสร้างบา ร, รมีก็คือการสร้างกำลังใจทาใจของเราครบทุนที่จะเป็นเจ้านายเหนือหัวนิวรณทั้งห้าประการ ไม่ใช่นิวรณ์อาบราการมาเป็นเจ้านายเราคือจิตตอนนี้แต่อยากจะถามว่าถ้าเจอนิวรณ์นั้ น, นในธรรมบา ร, รมีบา ร, รมีอื่นช่วยไหมก็ตอบได้ทันทีว่าช่วยทั้งหมดแต่ว่าะพูดกันไปเลยเวลามันจะช้าเ <c oughs> ทียบกันเอาก็แล้วกันว่าถ้าเราไม่โกรธเราให้อภัยก็เป็นเป็นทานเป็นอภัยทาน ที่เราดัางับสินจิตใจเราไม่ร้ายได้นี่มื่ที่จิตใจเราไม่ร้ายมาทำลายเขามันก็เป็นสินสินม่นต้องเข้ามาคุมการที่จะคุมอย่างนั้นได้พิจรารณาเห็นคุณกันทั้งการระงับนิวรณ์ก็ต้องใช้ปัญญาสำหรับระยะความเพียรพราะอารมณ์ใจเขาเราแก่กล้าในดั่งความชั่วตกเป็นทาตของนิวรณ์เราจะเป็นไทยก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาตัดความเป็นทาตุให้หมดไป คันติความอดใจในเมื่อลมเดิมมันเข้าเสียงถ้าอดการใจเข้าไว้มันมีสัจจะทรงความดีคือความจริงเมื่อเราจะไม่ยอมเป็นท้ายของนิวรณอริฐานี่ตั้งใจว่าอย่างไรตั้งตรงว่าอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมตานี่มีอยู่แล้วถ้ า, าว่าเราไม่ขาดเราไม่ทําลายเขาคือไม่คิดประทุษร้ายไม่โกรธไม่เพียบบาทอาศัยเมตตาเป็นสำคัญ อุเบคขาทรงอารมณ์จิตมั่นเฉยต่ออารมณ์ที่ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับใจไม่เอากับมันมันจะกวนใจเป็นบราการใดก็ตามบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราไม่ยอมมันทุกอย่างมาเร็มีนี้รู้สึกว่าจะพูดเร็วไปสักหน่อยบางทีท่านจะบอกว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจแล้วฟังไม่กี่ทันไม่ค่อยทันก็ต้องขออภยัยแกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ขบรมีข้อเนเอกธรรมบรมีนี้ถ้าจะพูดกันไปมันยาวมากดีมาพูดแบบนี้ก็เพียงตัดมาให้สั้นๆลงมาเพื่อให้บรนดาชนพุทธบริษัตทต่างหลายท่านมีความเข้าใจว่ากําลังใจของท่านเต็มในด้านเอกธรรมบรมีในอันดับไหนถ้าเต็มครบท้่นบริบูรณ์คือว่าจิตใจของเราขาดเด็ดกระเด็นจากความรักในการมาคุณท่า ความโกรธความชั่วบาปไม่มีมีความเมตตาแทนอารมณ์พุ่งสร้างหน่ยมีมีกิจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วว่าอาการพุ่งสร้าแล้วก็ขอโทษความง่วงเหงาเขานลอนไม่ปลายกฎมานึกถึงธรรมะธรรมาอะไรก็ใจสว่างมานั้นนี่กลับข้อกับสนิดหนึ่งและขนผลทยุยท้ายขินชว่าการสงสัยเรื่องพระนิพพานไม่มีสำหรับเรา แล้วเราก็มีความเข้าใจดีเรื่องพระนิพพานก็ เ, เห็นพระนิพพานชัดเห็นกัยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตอบดีไหมเดี๋ย ว, ว่าไม่ตอบไม่ตอบดีกว่าทําบารมีให้เต็มที่ท่านทั้งหลายเรื่องนิพพานนี่เถียงกันมาถียงกันไปนะี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเถียงถ้าทําบารมีให้เต็ม แล้มีหลายท่านียกันที่เขียนหนังสือบ้างพูดบ้างบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าพระองค์ไหนเป็นสุปฏิปันโนอันนี้เป็นของไม่ยากแค่ว่าท่านทั้งหลายเลิกเสพกามและมีบารมีทั้งสามสิบระการครบถ้วนคือสิบระการนี่เป็นบารมัตบา ร, รมีหมดนือว่าสามสิบระการเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัต ท, ทุกท่าน เรื่องการรู้ว่าพระองค์ไหนจะเป็นสุปฏิปันโ น, น, โ น, ยย น, โนชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปัโนคือว่าเป็นบาสุดาสีทาคานาคารหันมันก็เป็นของง่ายคือของเด็กเล่ น, นเพราะทั้งนี้พ่ออะไรพ่อเราถึงเสร็จแล้วเ น, นี่บรรดาทานพุ้ตบริษัทถ้าถึงแล้วมันก็รู้แล้วใครเป็นอะไรก็รู้กันได้เป็นของไม่ยาก สำหรับ เ, เนกกรรมบารมีที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภากเจ้าตัดมาขอบรรดาท่านพุตธศาสนาในกชญนท่านหลายโดยทวนนาจงทำกําลังใจให้มันเต็มถ้าเต็มเมื่อไรเป็นพาระอรหันต์เมื่อ น, นั้นเอาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเช้าเมื่อวันนี้ ก็ขอยุติไว้แต่เพียงธรรมนีเฉพาะเลขธรรมบารมีก็เรรพิ่งทราบว่าเป็นบา ร, รมีที่เราทำข่าวเดียมครบสิบบา ร, รมีใด้กันไอดีสุดนี้ก็ความขอความสุขสวัสดี์ปิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล ผ, ล, ผ, ล, ผ, ล, ผ, ล, ผลจง ม, มีแด่บรรดาท่านพุทธศาส น, นิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี